สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิปเพซูตอนที่ห้าร้อยเอ็ดเซซูในพระธรรมฮีบรูทั้งที่หกพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สามโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านพี่น้องอันบริสุทธิ์ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียดซึ่งมาจากสวรรค์นั้นจงพิจารณาอัครสาวก และมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั้นคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างโมเสสได้สัตซ์ซื่อในพรรคพวกของพระองค์ทั้งสิน้นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนะักเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยศมากกว่าบ้านนั้นด้วยว่าบ้านทุกหลังยังมีผู้สร้างแต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้า ฝ่ายโมเสยนั้นสัตซ์ซื่อในพักพวกของพระองค์ทั้งสิ้นก็อย่างคนรับใช้เพื่อจะได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งจะกล่าวต่อไปภายหลังแต่พระคริสต์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอํานาจเหนือครอบครัวของพระองค์และแล้วทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละหากเราจะยึดความมั่นใจและความชื่นชมยินดีในความหวังนั้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดข้อเจ็ดเหตุนั้นตามที่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ตรตัสว่า วันนี้ถ้าท่านหลายจะฟังพระสุดเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างครั้งกระดดนั้นเหมือนอย่างวันที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราถึงสี่สิบปีเพราะเห็นนั้นเราจรึงเคืองคนชั่วอยุนั้นและว่าใจของเขาลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราดังนั้นเราจรึงปริญาณด้วยความพิโรธของเราว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราข้อ12ดังนั้นที่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อแล้วก็หลงไปจากทางของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาป เพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วังใจที่เรามีอยู่ตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเราก็กลายมาเป็นผู้มีส่วนกับพระคริสต์เมื่อมีคำกล่าวว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจะฟังพระสเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกระบบนั้นเพราะบางคนเมื่อเขาได้ยินแล้วก็ยังได้กระบฏอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่โมเสสได้นาออกจากประเทศอียิปต์และใครหนอะ ที่พระองค์ได้ทรงโทมนัสตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นเพลิงกันดารนีใช่หรือและใครหนอที่ปฏิเสธใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อไม่ใช่หรือฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ พี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูบทที่สามนั้นเราเห็นภาพรวมของพระธรรมฮีบรูขอทบทวนครับในบทที่หนึ่งผู้เขียนได้นําเสนอว่าพระเยซูนั้นอยู่เหนือศาสดาพยากรณ์บทที่สองผู้เขียนได้นําเสนอว่าพระเยซูนั้นอยู่สูงเหนือเหล่าทูตสวรรค์และในบทที่สามนี้พระเยซูก็เจาะเข้าไปถึงหัวใจของคนฮีบรูก็คือ พระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือโมเสสโมเสสเป็นใครครับโมเสสเป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์ของศาสนายิวถือว่าเป็นศาสดาของศาสนายิวเลยก็เป็นได้นะครับในฐานะที่โมเสสนั้นเป็นผู้ก่อตั้งศาสนานะครับก็คือบทบัญญัติของพระเจ้าที่มีมาถึงคนอยู่ก็ทําให้โมเสสนั้นเป็นเหมือนกับสั ญ, ญลักษณ์แห่งศาสนาครับสั ญ, ญลักษณ์แห่งธรรมบัญญัติที่พวกยิวนั้นจะต้องท่อง นะครับต้องจำและต้องทำตามพระบัญญตัติต่างๆเหล่านั้นถึงแม้กระนั้นก็ตามครับพระเยซูก็อยู่เหนือโมเสสครับผู้อ่านจดหมายฉบับนี้นะครับก็ควรใส่ใจนะเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะเขาจะต้องถูกพิพากษาพิพากษานะครับก็คือคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังโมเสสจะต้องถูกพิพากษาอันร้ายแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าพระเยซูอยู่เหนือกาโมเสตได้อย่างไรในข้อที่หนึ่งครับเราจะเห็นประโยคที่มีความสําคัญมากก็คือว่าพี่น้องผู้เข้าส่วนในการทรงเรียกเราจะเห็นนะครับว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความรอดนั้นเขาถูกเรียกและการทรงเรียกนั้นมาจากพระเจ้าการทรงเรียกนั้นมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ถูก เรียกพระธรรมฮีบรูผู้อย่างนั้นนะครับเราจะต้องทําไงครับเราจะต้องพิจารณาให้ดีว่าผู้ที่เราเชื่อพระองค์ที่เราเชื่ออยู่นั้นคือใครประเด็นที่สําคัญก็คือว่าคือพระเยซูผู้เป็นอัครสาวกหลายท่านอ่านตรงนี้แล้วหลายท่านก็คงจะงงว่าพระเยซูเป็นอัครสาวกได้ยังไงความจริงความหมายของคําว่าอัครสาวกนั้นคําว่าสาวกนะครับ มีความหมายว่าผู้ส่งสารหรือผู้นำสารครับคําว่าอัครสาวกก็คือเป็นผู้นำสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเป็นผู้ที่นำสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือนำสารแห่งความรักเป็นผู้ที่เป็นผู้สื่อสารความรักของพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนมาถึงมนุษย์ทุกคนครับและเป็นผู้นำสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัคร สาวกนั่นเองพี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูยังถูกเรียกว่ามหาปุโรหิตนะครับมหาปุโรหิตนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากครับและในพระธรรมฮีบรูตลอดทั้งเล่มพระเยซูถูกเรียกว่ามหาปุโรหิตถึงสิบสองครั้งนะครับเราจะมาดูในครั้งต่อๆไปว่าคําว่ามหาปุโรหิตนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางนะครับและเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับ อันนี้เก็บไว้วันหลังนะครับแต่วันนี้เราจะดูต่อว่าในพระธรรมฮีบรูบทที่สามทั้งบทนั้นได้พูดถึงเรื่องของการอยู่เหนือของพระเยซูนะครับต่อโมเสสว้อย่างไรพี่น้องครับในข้อที่สองนะพระเยซูผู้ทรงศัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งนะครับได้ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่โมเสกได้รับการแต่งตั้งและโมเสกก็ได้สัดย์ซื่อ นะครับในการรับผิดชอบหน้าที่ของท่านแต่ในบทที่สามข้อที่สามได้พูดนะครับว่าแม้กันนั้นพระเยซูก็ทรงสมควรได้รับเกียรติมากกว่าโมเสสหมายความว่าพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโมเสสครับนะครับที่นี่เปรียบเทียบว่าเช่นเดียวกันกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติมากกว่าบ้านในข้อสี่บอกว่าบ้านทุกหลังนั้นต้องมีผู้สร้างแต่ว่าผู้สร้างทั้งปวง นะครับสับพสิงข้างพวงคือพระเยซอพระเจ้าพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สื่อสารชัดเจนครับว่าพระเยซูในฐานะเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงอยู่เหนือกว่าโมเสสเยอะถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับเราจะเห็นครับว่าพระเยซูนั้นทรงมีอํานาจเหนือครอบครัวของพระองค์และท้องหลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความมั่นใจและชื่นชมินดีในความหวังนะครับที่นี่บอกว่า เราจะต้องมีความมั่นใจยึดให้แน่นครับยึดความชื่นชมดีในความหวังนั้นให้มั่นคงจนถึงที่สุดนี่คือสาระที่สำคัญในพระธรรมฮีบูบทที่สามนี้พี่น้องครับอย่ามีจิตใจแข็งกระด้างครับนะครับเหมือนอย่างคนในสมัยของโมเสสที่เขาถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเวลาถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่ผ่านการพิสูจน์ครับ พระเจ้าได้ให้เวลาเขาถึง40ปีนะครับแต่ว่าเขาแพ้ในข้อ11เขาจึงไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขหรือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับนะนี่คือการรักษาความรอดหลังจากที่เรานั้นได้รับความรอดแล้วนะครับเราจะต้องรักษาความรอดโดยในข้อที่12นั้นได้พูดถึงว่าจงระวังตัวให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ แล้วก็หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงผสนนี่คือเรื่องที่สําคัญมากครับความรอดที่เราได้รับนั้นเราจะต้องรักษาไว้ดีพระเจ้ามีการช่วยเหลือพระเจ้าการันตีเรื่องความรอดนะครับเพราะพระองค์ได้รักษาความรอดในตามพระสัญญาของพระองค์แล้วเราจรึงควรจะต้องเก็บความรอดที่เรามีอยู่นั้นและรักษาไว้ให้ดีด้วยการทําไงครับในข้อ13 จงเตือนสติกันทุกวันครับตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาปพี่น้องครับการเตือนสตินะครับภาษากรีกเรียกว่าพาราคาเลโอก็คือการให้กำลังใจนะครับมีความหมายใกล้เคียงนะครับกับคําว่าการกระตุ้นนะการกระตุ้นการให้กําลังใจในแง่บวกครับเราจึงควรเตือนสติกันและกันในการดำเนินชีวิตทุกวัน เราควรให้กำลังใจกันและกันนะครับเราควรให้อภัยให้คำหนุนใจนะครับเราต้องยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตอนต้นนั้นให้มั่นคงจนถึงที่สุดขาพรเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยึดความไว้วางใจที่มีต่อพระเยซูครับให้ได้จนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่ในชีวิตนี้ในโลกนี้อาเมน